ก็คงพบกันในเรื่องของบัณกฑิากาศเทศนาเพราะนั้นว่าหลักใหญ่ในการปฏิบัติกรรมฐานก็แนะนำกันมาแล้วทั้งสองอย่างทั้งกรรมฐานสี่สิบและมหาปฏิบัฐานนสูตร <c oughs> ตอนนี้ไปก็มาว่ากันเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆตามสมควรเวลา เพ่ว่าจะบอม อ, อัยาสัยใสของท่านอยู่บ้างทั้งนี้ก็ผมถือตามแนพวพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงเทศอทิบริยาณาสูตรสอนท่านบรรดาท่านเทดินหรือว่าธรรมจักกับประวัตรศาสตรสอนท่านปัจจนปัญญวิคีาหรือสีทั้งห้ามีท่านัญญากโกานัญญาเป็นต้น เมื่อองสมเด็จพระทศพ ล, พลสอนท่านหลายเหล่านั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ต่อมาองค์สมเด็จพระพเกวันก็ทรงสอนพระกรณกเทศน า, า, ศาคือ่าเก็บเล็กเก็บน้อยเ ก, เก็บนั่นนิดเก็บนี่หน่อยอามาเอาม า, า, มาทิมบายเพื่อความเข้าใจเพื่อท่านหลายเหล่านั้นจะได้ลดนิริต ถ้าตัดกิเลสเทียรเล็กเทียนน้อยตามปัญญาใสจนกว่าจะเป็นสมุทเฉติปหารคำว่าสมุทเฉติปหารหมายคือว่าตัดขาดตายไปหมดปหารแปลว่าทําลายสมุทเฉติแปลว่าตัดทํทาทํำลายทําลายด้วยการตัดเทียรเล็กเทียนน้อยจนกว่ากิเลสจะหมด <c oughs> นี่ปฏิบติธรขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเวลาสอนของค์สอนแบบนี้ฉะนั้นในเมื่อผมแนะนำพระบรมฐานทั้งสี่สิบแล้วก็มหาปฏิบัติฐานสูตรแล้วก็อะไรละ่ะเจริญหกนิวรณห้า ความจริงก็หมดูมงกันแล้วสอนกันแบบหมดไสหมดภุงบารมีสิบก็สอนเจรณาสิบห้าก็สอนแล้วก็อิทิบาทสี่ก็สอนสอนหมดแต่จะว่าหมดในคติพระพุทธศาสนานั้นไม่หมดพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตสอนไม่มาก แต่ว่าสอนมาสอนไปก็ไปลงคันห้าอย่างเดียวให้ทุกท่านทั้งหมดเหนว่าคันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตั้งนี้พ่อะหร่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตัดว่าที่สอนอ้อมไปอ้อมมานี่ก็เพื่อจะล่อมเข้าไปหาคันห้าเท่านั้น พระองค์สมเด็จพระพระะุทกัลยาณ์สอนแบบนี้บรรดาท่านทางหลายผมก็สอนแนะนําท่านท่านจะได้อะไรหรือไม่ได้ก็ไม่ชีวิตใสของผมที่จะแผยก่อนขอท่านทางหลายที่ตั้งใจเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวนวรโรดไข่ทรวนกันเอาเองวันนี้ท่านฟังบุพกรรมของท่าน ัญญากลดัญญะแล้วก็ท่านห้าสิบห้าท่านมีมีใครล่ะมีพระยศเป็นหัวหน้าเจนว่าทานยาโกนทัญญะนี่สมัยใช่ก่อนๆที่ท่านจะเป็นอรหันต์ถอยหลังไปจากนี้แสงกลับ ในศ า, าสนาของพระบัะทุ ม, มุตระถอยไปเก้าสิบเอกกับในศ า, าสนาของสมเด็จพระวิปสัสสีความจริงเรื่องนี้รู้สึกวิเทวเฟือเฟื อ, ฟ อ, ฟอผมคิดว่าคนที่เรียงบา ล, ลีนี่อาจจะพลาดไปนิดหนึ่ง เพราะว่าบางในบางสมัยท่านกล่าวว่าสมัยพระปาทุมุตระนี่ถอยหลังจากเก้าจากนี้ไปเก้าสิบเอกระหวนดทีก็บอกว่าถอยหลังจากนี้ไปอีกแสนกับเป็นสมัยพระวิปสัสสีนี่ตรงนี้เลยครับอาจจะเผื่อไปหน่อยแต่ว่าช่างเปนไร การสมัยไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ปฏิบัติธรรสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไปถือเรื่องเล็กๆในน้อยการเวลาอาจจะพลาดไปบ้างเป็นของธรรมดาแต่ผมได้อธิบายให้ท่านฟังก็นเนื่องจากว่าตามพระบาลีเท่านั้นเรื่องนี้จะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสําคัญปฏิบทาดีกว่า เราวันัน่งพิจรารณากันว่าพระท่านอนยากกนทญญาในสมัยหนึ่งท่านถวายทานเจ็ดวันมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขพร้อมไปด้วยพระอริยส์สงในขณะนั้นที่ท่านถวายทานจบท่านก็กาตาั้งมโนปรธิธานปรารถนา ว่าต่อไปภายหน้าถ้าข้าพระพุทธเจ้าจะได้สำเร็จอารหาาัตผลขอบารมีพระองค์สมเด็จพระทศพลและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจงช่วยดลบันดาลให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นอาราหันต์ก่อนใครทั้งหมดและในที่สุดมาถึงพระพุทธศาสนานี้ ท่านจึงได้มีโอกาสพบองค์สมเด็จพระจินัสีก่อนคณะใดาทั้งหมดและก็ปรากฏว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสแดงธรรมาจากกบรวรตะสูตรพอจบท่านก็เป็นประสูดาบันต่อมาองค์สมเด็จพระพักวันทรงสอนปะกินากาเทศนาเล็กๆในน้อย ท่านก็เป็นอาราหันต์ก่อนเพื่อนอีกสี่องค์เป็นอาราหาัที่หลัง <c oughs> ตอนนี้ที่ผมนำมาพูดก็เพราะว่าอยากให้บรรดาท่า น, นันหลายมีความเข้าใจว่าการประพฤติทธรรมในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรยอย่างท่านอัญญากนทัญญาในอดีต นี่ท่านมีหลักใหญ่ในการปฏิบัติคือประจําใจของท่านก็คือมีความพอใจในการให้ทานเป็นสําคัญ <c oughs> ซึ่งเป็นแนวเดียวกับท่านอนาติวินิากาเศรศษี <c oughs> เมื่อพบองสมเด็จพระมาหามุนีท่านอนาติวินิกาเสรฐีก็พอใจในการให้ทานได้อย่างนางวิสาขามาหาอุบาสิกา ที่เป็นพระอริยะเจ้าในสมัยนี้ก็ปรากฏว่าในสมัยน่าอาดีตท่านก็เป็นผู้พอใจในการให้ทานผลของการให้ทานของท่านทั้งสามความจริงมีมากกว่านี้ในครับในยกแต่เพียงตัวอย่างตัวอย่างย่อๆเท่านั้นผลเรื่องการให้ทานคือจิตหนักไปในทานอย่างเดียว เรื่องศีลเรื่องภาวนานั้นท่านก็ทำกันแต่ว่าอารมณ์ที่หนักจริงๆนงเดียวยึดอยู่ในเรื่องทานเป็นสำคัญ <c oughs> ในที่สุดทุกท่านก็ได้เป็นพระอเดียเจ้าเหมือนกันหมดในการให้ทานบรรดาท่านทั้งหลาย องสมเนตรพระจอมไตรบรมัยศาสนาสมมาสมพุทัยเจ้าทรงตรัสว่าเป็นจาคานุสติกรรมฐานฟังให้ดีนะขอรับเพื่อการให้ทานนี่เป็นจารคานุสติกรรมฐานการให้เป็นปัจจัยของการตัด ตัดอะไรก็คือตัดกิเลสกิเลสตัวนี้ได้แก่โลภะความโลภนี่แต่หากว่าท่านนหลายจะมีความสงสัยว่าบุคคลมีความมุ่งมั่นอยู่ในการให้ทานก็ทานมีกําลังตัดกิเลสที่เพียงความโลภอย่างเดียวทําไมจึงจะเป็นกําลังใหญ่ให้เป็นอารหันต์ได้ ผมก็จะต้องขออธิบายสักนิดหนึ่งว่าอารมณ์ของท่านที่มุ่งการให้ทานเนะี่ยท่านคิดท่านดีนะครับทานถ้าเราให้ผลอย่างย่อเรียกว่าเป็นโลกิยทานให้ทานเพื่อความสงสารให้ทานเพื่อความเครื่องเกื้อกูล ไม่หวังมักไม่หวังผลอย่างนี้จิตใจของท่านบุคคลนั้นก็ชื่อว่ายัิจาคานรสติกรมรฐานทานเพียงแค่นี้เป็นปัจจัยท่านหลายเหล่านั้นไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาได้แล้วก็มีที่ประสมบัติมากถ้ามาเกิดเป็นคนก็เป็นคนที่มีทรัพสมบัติมากปราศจากความยากจนเข็นใจ อันอย่างนี้เป็นโลภิยทานถ้าสมมติว่าจิตใจของบรรดาท่านหลายเมียรมคลุ้นคิดอยู่เป็นปกติคออยากจะเกื้อกูลคนและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงกระทำได้ถ้าทรัพย์สมบัติไม่มีก็หวังเกื้อกูลในการแนะนำที่เรียกว่าธรรมทาน เวลาใดที่มีทรัพย์สมบัติจะพึงแบ่งปันกันได้แล้วก็พร้อมในการให้จิตนึกอยู่เสมอก่อนพอตื่นขึ้นมาก็ก็คิดในใจว่าเมื่ อ, อไรหนอเราจึงจะมีโอกาสได้เกลียดโกนคนทั้งหลายในโลกและสัตว์ที่มีความทุกข์ให้มีความสุข <c oughs> <c oughs> จิตคิดอยู่อย่างนี้เป็นปกติ <c oughs> นับแต่เติร์ตเติรึงตือตึงขึ้นมาที่เวลาการหลับ <c oughs> ใจคิดอยู่เสมอนในการให้ทานคลุ้นคิดอยู่เป็นปกติไม่ขาดสายถ้าใจของท่านตั้งอยู่อย่างนี้ท่า น, นหลายคนได้โปรดทราบว่าใจของท่านตั้งอยู่ในฌานของจารคานุสติกามาฐานคําว่าฌานก็คือเพ่ง แห่งก็คือนึกเคื่องอารมณ์มันส่งตัวจิตคิดอยู่ไม่เคยอยากจะโกงใครไม่เคยอยากจะลักจะขโมยยื้อแย่งเขาคิดอย่างเดียวอยากจะให้ <c oughs> อย่างนี้ชื่อว่ากําลังใจตั้งอยู่ในโรงของฐานเป็นปกติท่านเรียกเราท่านเป็ น, นเรียกว่าฌานใจคิดอยู่อย่างนี้นะฌานนั้นไม่ใช่ไปต้องเป็นนัง่งหลับตามันจริงๆเป็นฌาน ที่นั่งหลับตาเนี่ยก็ถือว่าฝึกเพื่อให้รมจิตเป็นฌานถ้าลืมตาขึ้นมาแล้วแทนที่อยากจะให้กลับอยากจะขโมยเขาอยากจะยื้อแย่งเขาอยากจะคดกงเขาให้หลับตาเป็นฌานยังไงก็ตามถ้าลืมตาเป็นอย่างนี้แล้วก็ฌานแบบนี้ลงนรกแน่แต่ว่าเราไม่ทำรมณ์เพ่งให้ตรงเป่งไม่ตั้งให้จิตสงัด แบบเข้าสมาธิหลับตา <c oughs> แต่รมใจของท่านนั้นหลโดยทนหน้ามีจิตเมตตาปราณีมีความกรุณาสงสารคิดอยากจะให้คนทั้งหลายมีความสุขโดยไม่หวังผลตอบแทนใจคิดอยู่อย่างนี้ปกติเรียกว่าเป็นฌานในจากะคนนสติกมาฐาน อารมณ์ชาติจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้ถ้าตายจากความเป็นคนท่านไม่มีโอกาสจะเป็นเกิดเป็นเทวดา <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะโอกาสที่เกิดเป็นเทวดานั้นต่ําไปท่านต้องไปเกิดเป็นพรหมเพราะอาศัยฌานในจารคานุสติกรรมฐาน ที่ถ้ากำลังใจขบันดาทนานหลายหวังในการให้ทานเพื่อมรรคผลอย่างท่านอนัญญาโกณดัญญะคิดในใจว่าโดยอำนายกุศลในในการให้ทานของเราคราวนี้จงเป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงสิ่งพนิพานที่บรรดาทา ย, ยกท่างหลายพากันแนะนำในการถวายทาน ในลงท้ายว่าอาสวกคยาวาหังโหตุแปลว่าขอผลทานนี้จงเป็นปัจจัยเข้าไปเจ้ามีกิเลสอันสิ้นไปแล้วในวิ น, นิพานปฏิโยโหตุเขียนแปลเป็นใจนความว่าขอเข้าไปเจ้าจงสำเร็จเข้าถึงเสื่งพนิพาน <c oughs> ที่บรรดทาทายกทั้งหลายมักจะแนะนําในการถวายทานกันอย่างนี้ถ้าจิตใจของบรรดาท่านบริพัตรบริษัททรงแบบนี้แล้วว่าไปแล้วว่าใจทรงอยู่เป็นปกติเกิดไปพบประหารกด็ดีพบพระพุทธเจ้าก็ดีฟังเลขเทกคราวเดียวก็เป็นรหันอย่างท่านญาโกธัญญาอันนี้อย่าง ว่าจาคานรติกมาฐานอันเดียวโดยเฉพาะก็สามารถจะทำคนให้เข้าถึงสิ่งพนิพานได้หรั บ, บคณะก็เรานี่หนักปในการให้ทานมากแม้เราพอใจในฌานอย่างอื่นด้วยช่วยกันเป็นหลายแขนงการให้ทานของท่านน่บางทีพระทั้งหลายบอกผมไม่มีสตังนี่คขรับ <c oughs> หลวงพ่อบอกว่าผมพอใจในการให้ทานไม่จริงหรอกนบนาบมาสุบมาศิกาทั้งหลายที่อยู่ในเขตนี้นบกอกแหมหลวงพ่อใน ย, ยกย่องสองเดชเราไม่มีอะไรจะให้ทานบวชเข้ามาแล้ววัดนี้ก็ไม่มีเขตปร ะ, สะเสกุลเมงก็ไม่มีจะหาความเป็นมหาเศรษฐีอะไรมาให้ทานไทยบอก ท่านกล่าวมาอย่างนี้ผมก็ไม่ปฏิเสธว่าการได้ทานในวัตถุท่านอาจจะไม่มีหรือมีมั่งมันก็น้อยเกินไปแต่ความจริงวัตถุจะน้อยจะมากนีม่มันไม่สำคัญสำคัญที่กำลังใจของท่านน่มันทรงอยู่ในการให้ทานหรือเปล่า คิดไว้เสมอหรือเปล่าว่าเราเราอยากจะสงเคราะห์คนละสัตว์ให้มีความสุขคิดหรือเปล่าแต่คิดอยู่อย่างนี้โอกาสที่ท่านจะให้ดรววัตถุไม่มีแม้แต่สักนิดหนึ่งมันก็เป็นอารมณ์ชาในจาคานุสติกรรมฐานเห็นไหมแทนที่จะเกิดไปบนบนสวรรค์ท่านดันไปอยู่พรมนะมันสูงขึ้นไป นี่เข้าใจสนิดหนึ่งแล้วก็มันป็นของไม่ยากนั้นนอกจกนั้นผมอยากจะถามท่านสักนิดหนึ่งว่าท่านทำงานในกรณีกิจของสงทำงานกันทุกอย่างเนี่ยผมขอกล่าวว่าเกือบทุกองในวัยขงเราที่ผมไม่ได้กล่าวว่าทุกองเนี่ยผมไม่ทราบว่าองค์ไหนที่เกตบ้างหรือเปล่า ผมไม่รู้รู้แต่ว่าพระของผมส่วนใหญ่ทั้งบิณฑษสมัมมณีนี้เป็นคนขยันงานการทุกอย่างที่ทำกันเน่ะผมไม่ได้สั่งซะทั้งแปดสิบปเซนแต่ว่าทุกท่านเห็นว่าอะไรสมควรที่จะทำท่านก็ทำทั้งหมดบางทีท่านทาทีท่านทำไปนี่ผมขอรับตรงตรง อวันหนึ่งวันหนึ่งผมไม่มีโอกาสไปดูท่านไอ้งานของผมมันก็ทมหัวเลยหัวไปเยอะแยะแพีงแค่จะเอางานของผมก็เต็มกองแล้วจะเวลาไปสั่งให้ท่านทำงานกันมันก็ไม่มีแต่ผมก็ขอชมความดีของท่านส่วนใหญ่ที่ตั้งใจทําทุกอย่างตามความสามารถของตน ที่เพราะว่าส่วนใหญ่นี่ผมไม่รู้ว่าท่าอะไรขี้เกียจบ้างเ น, น้นเอาไหนขี้เกียจบ้างแต่าวังให้ดีนะครับถ้าชมว่าดีแล้วก็อย่าเหลิงถ้าเหลิงมันอะไรเลวมานั้นถ้าเรามีความดีอยู่แล้วต้องรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มอย่าหลงและเลงว่าเราดีเพียงเท่า น, นี้เป็นเลิศจงมีอารมณ์จิตคิดว่ามันยังไม่พออยู่เสมอ จะได้สร้างความดีให้ยิ่งยิงขึ้นไปในที่สุดปัจจัยแห่งการทําความดีจะทําให้ท่านเป็นอรหรั <c oughs> นต์ในกิจการงานทุกอย่างที่ท่านทํากันท่านเคยคิดหรือเปล่าว่าจะได้รับรางวัลเป็นเงินเป็นทองจากผมผมคิดว่าทั้งหมดนี้ไม่ใครคือไม่มีใครคิดเพราะว่าผมไม่เคยจ้างท่าน ทำงานทุกอย่างนี้ผมไม่เคยจ้างและไม่เคยจะคิดว่าจะให้รางวัลอะไรท่านด้วยเพราะว่างานหลายอย่างที่ท่านทำกันผมไม่ได้สั่งแต่ไม่เป็นิตควรทำและทุกท่านก็ทาเมื่อทำกันไปอย่างนั้นถ้าจะคิดเป็นค่าจ้างรางวัลเป็นค่าแรงงานก็ลองคิดดูที่ว่าจะต้องจ่ายให้ผู้ท่านวันละเท่าไหร่ นี่การที่ท่านทําอย่างนั้นท่านก็ท่านก็ บ, ก บ, บอกว่าท่านตอบได้ทุกอกบอกว่าหลวงพ่อพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก <c oughs> ที่ผมทนะําน่ะเพราะที่ผมทําผมไม่ได้เป็นลูกจ้างของพ่อนี่ยครับผมทําเพื่ออาบุญองค์สนคือเป็นคันถาุระเป็นกิจของพระสงฆ์ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาจะต้องทํา ในส่วนวิปัสนาธุระผมก็ทำตามกิจของผมเนือว่าผมจำพระบาลีได้วั น, นิพานะัสสัสชิกิรยิยายะเอตังกาสาวังขะเหตวาเทยมแปลเป็นเจนความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวาพัฒมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งผนิพันธ์นละงพ่อจะไปนั่งคิดค่าแรงงานกับผมน่มันจะถูกที่ไหน ผมทําตามกิจในฐานะที่ผมเป็นมิสุสมั น, นในพระพุทธศาสนาเพราะว่าในพระพุทธศาสนาที่มีธุระอยู่สองอย่างคือคันธ์ธุระได้แก่ทุกขณิกายคือการทํางานมันเหนื่อยก็เรียกว่าทุกขณิกรสองวิปัสสนาธุระผมต้องการเป็นพระของพระพุทธเจ้าให้ครบถ้วนเท่านั้น แล้วทำไมจะมาว่ากันวัดแม่ทำงานเพื่อสินจ้างรางวัล น, นี่ก็ผมก็ไม่บอกท่านว่าผมจะให้รางวัลกับท่านท่านคิดอย่างนั้นมันก็ถูกผมว่าผมพูดมันก็ถูกเหมือนกันการที่ไม่ได้คิดสินจ้างรางวัลแต่ว่าหากว่าเราจะมาจ้างเขาทำงานมันจะต้องเสียไปวันละเท่าไหร่ที่ท่านผู้ท่านทำกัน คิดค่าตัวอย่างเลวที่สุดก็วันละยี่สิบบาทถ้าทำกันติมาจ้าตามที่ก็ททำบางท่านก็มีความสามารถในขั้นวันละถึงร้อยบาทก็มีเป็นนั้นว่าท่านลงมานั่งคิดถึงค่าแรงงานของท่านที ว่าท่านทำมาล้กี่วันถ้ามีความสามารถแค่ไหนมีความสามารถแค่คนงานวันละยี่สิบบาทถ้าสิบวันมันก็สองร้อยบาทสามสิบวันมันก็หกร้อยบาทถ้าสามร้อยทีห้าวันมันเท่าไหร่เพราะว่าท่านได้มีความสามารถยิ่งไปกว่านั้นมีค่าในการงานทีงมันละร้อยบาทก็มี ท่านเสียสละแรงงานไปวันร้อยบาทสิบวันมันก็พันบาทสามสิบวันมันก็สามพันบาทวันนั้นาแรงงานของท่านเนี่ยเป็นจารคานุสติกรรมฐานโดยตรงและก็เป็นจารคานุสติกรรมฐานประเภทเลือดเสร็จด้วยเพราะว่าช่วยไม่หวังผลการตอบแทนในด้านวัตถุ ที่ผมพูดนีเพราะว่าไม่เคยมีพระมีในองค์ไหนมาขอร้องบ่าหลวงพ่อครับผมทํางานเหนื่อยกือบตายผมขอค่าเหนื่อยสักนิดผมไม่มีสตังใช้แล้วละขอทั้งสิบบาทห้าบาทสลึงสองสลึงไม่เคยมีพระองค์ใดมาปลีกปากบอกบอ ก, กับผมถึงแม้ว่าจะไปทวงไปถามกับคนอื่นมันก็ไม่มี เห็นแล้วหรือยังว่าจาคานุส ต, ติกมามฐานของท่านเนี่ยเป็นจารคานุส ต, ติกามฐานมาังกรจะเป็นจารคานุส ต, ติกมามฐานขั้นเลิศ <c oughs> มันเลิศตรงไหนเลิศตรงไม่หวังผลตอบแทนใดๆดทั้งหมดทาอาศัยว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านบอกว่าธุระมีสองอย่าง ทันทุระคือกิจการงานวิปัสนาธุระคือกิจที่จะทำกิจให้หมดกิเลสเป็นอันว่าท่านนั้นหลายทำตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกกิเลตเต็มภาคภูมิคนที่จะภูมิใจแล้วเป็นอันว่าทานของท่านนี้จัดว่าเป็นทานฉันเลิดจิตคิดว่า ง, งานพวกนี้จะมีอะไรบ้างเราจะทำ นี่มันเป็นฌานในจารคานุสติกรรมฐานทําแล้วไม่หวังผลตอบแทนเป็นจารคตุลที่เรียก ว, ว่าละกันเลยทีเดียวไม่หวังผลใดๆทั้งหมดแต่หากว่าท่านจะกําหนดจิตเช่นเดียวกับท่านพระัญญาโกณัญญาว่าผลของการทํางานเป็นสาธารณประโยชน์ในกิจของสอ์นี้ก็ดี ว่าท่านหลายมีอีกมากท่านจำนวนมากมีความห่วงใยในทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเวลานี้หลายวัดต่างก็ต้องลืมตากันอยู่เสมอไม่ <c oughs> ว่าภัยของวัดมันมีมากแม้แต่วัดหน้องสุนงพ่อจนูนที่เราไปพบกันที่ประตูตน้ำพระอินทร์ ท่านไปไหนรูกศิษยบอกว่าข้างไม่ได้ลุงพ่อผมต้องกลับภายในวันนั้นคิดว่าท่านจะมีสัจจะอะไรพูดมาพูดไปก็บอกว่ากำมวยบรรชมลุงพ่อห่วงทรัพย์สินของสงต้องเลยควบคุมดูแลบรรดาวิสุทธิสมณเณรให้ช่วยกัรรักษาของสงไองานประเภทนี้เป็งานหนักนี่เราชีวิตเข้าเสี่ยงในการรักษาของสงจัดว่าเป็นปรมาธิปฏิบัติ แล้วถ้าเป็นไทานก็จัดว่าเป็นบรมัตฐานถ้าบรมีก็ถือว่าเป็นปรบรมธรรมบรมีไม่ได้ยกย่องเพื่อไปยอให้ท่านเสียสละชีวิตเหนื่อยยากท่านทำอย่างนี้ถ้าท่านตั้งใจเจตนาเช่นเดียวกับพระัญญาโกณัญญาแต่ว่าจะไปหวังว่าชาติหน้าไหนครับตั้งใจว่ามันชาตินี้ดีกว่า เป็นนัตตาจริยาขบัรดาทนานหลายอาศัยจากคานสติกรรมฐานมีทั้งโลกิยะจาคะมีทั้งทานในจาคะมีทั้งปรมัตในจาคะหากว่าอารมใจของท่านรู้จักละอย่างนี้ท่าละโลภะได้ตัวเดียวโทสะมันก็หายไปพร้อมหน้ากัน โลภะจะมีก็มันได้ก็เพราะสายเมตตาเป็นตัวสาคัญเมื่อโลภะกระาทศัตต์ทั้งสองรายการมันสลายตัวไปโมหะมันจะมีที่ไหนก็ชีอว่าท่านสามารถจะถึงพระนิพพานได้โดยง่ายเอาแล้วทัาหรบบวันนี้เวลามันหมดแล้วก็หวังว่าท่ทานทั้งหลายคงจะเข้าใจาในจารคานุสติกามฐานที่ท่านทำกัน ผลอันใดที่ท่านทำแล้วในศาสนาเขาองสมเด็จตรพระกวันโดยไม่เห็นเหการเนยยากหรือไม่ห็นเหงาค่าจ้างเหลาวันขอผลบุญบา ร, รมีอย่างนี้นั้นจงบันดาลให้ท่านหลายได้สำเร็จอนาคตผลเป็นพระดยบบุคคลในพระพุทธศาสนาโดยฉับพลันในชาติปัจจุบันนี้เถิดเวลานี้หมดเวลาแล้วต่อที่นี่ไปขอทุกท่านตั้งใจให้ตรงดารงจิตให้มัน กำหนดรูดลมหายใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมัตยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี